สติปฐานมาโดยลาดับจนถึงอริยสัจสและก็ได้แสดงข้อทุกขอริยสัจคืออริยสัจคือทุกขมาแล้วจะแสดงในข้อทุกขสมุทัยอริยสัจอริยสัจคือสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์มวลอริยสัต์นี้โรกุตติเจา้าได้ตรัสไว้ในพระสูตรใหญ่แห่งสติปัฏฐานทั้งสี่สืบต่อจากโพชฌงค์และก็เลยแสดงถึงสติปัฏฐานในข้อกาย ข้อเวทนาข้อจิตและข้อธรรมซึ่งมีความสัมพันธ์กันมารวมอยู่เป็นอเอกายตนะมัตคือทางไปอันเอกทางไปอันเดียวเป็นก้อนเดียวกันอันจะพึงกล่าวด้วยว่ารวมกันอยู่ เป็นอัตภาพคือเป็นภาวะที่สำคัญหมายึดถือว่าตัวตนคือตัวเราของเรานี่เองเป็นแต่เพียงว่าในการแสดงนั้น <c oughs> ก็ต้องหยิบยกเอา ลักษณะใดลักษณะหนึ่งของก้อนที่รวมกันอยู่นี่ขึ้นมาแสดงและก็กแสดงในทางที่ปฏิบัติได้คือใช้เป็นที่ตั้งของสติได้และแม้ว่าจะหยิบยกเอา ข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาเป็นที่ต่างสติกำหนดก็โยงถึงกันหมดหลังที่เลยแสดงมันโดยลำดับและก็มาประมวลเข้าโดยจับหลักแห่งการปฏิบัติ ที่จะต้องใช้สำหรับทุกข้อก็คือหลักปฏิบัติตามหลักของโพชฌงทั้งเจ็ดนั้นและแม่ที่จับกำหนดข้อกายข้อเวทนาข้อจิตข้อทัพก็ เป็นการหยิบยกเอาขึ้นมาพิจารณาจำเพาะข้อดังที่กล่าวนั้นเมื่อมาถึงข้อที่สี่คือข้อธรรมะซึ่งเป็นการกำหนดพิจารณาในขั้นที่ละเอียดพระพุทธเจ้า ก็ได้ตรัสให้กำหนดในข้อที่ละเอียดนี้ที่ปรากฏอยู่ในจิตใจเสมอสำหรับสามัญชนทั่วไปคือข้อนิวรณและเมื่อปฏิบัติ สงบนิวรได้จิตก็ผ่องใสสงบยังได้ตรัสสอนให้มากำนดอัตภาพนี้อันเป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเรานี่แยกออกไปเป็นขันห้าและที่ขันห้านี้เองก็ประกอบด้วย รูปเป็นนามอาศัยกันอยู่ความปรากฏแห่งรูปเป็นนามก็ต้องอาศัยอาจตนะนัภายในภายนอกมาประจอบกันจึงเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาจึงได้ตัดข้ออาจตระนัทั้งหกและก็ในตรัสถึงแนว อันเป็นหลักปฏิบัติโพชงเจ็ดอันเริ่มด้วยความตั้งสติและเมื่อปฏิบัติตามหลักของโพชงเจ็ดนี้ถึงคุเบคาสามโพชงสมาธิก็จะดีจะบริสุทธิ์จิตก็จะสว่างแจ่มใสสงบอยู่ในภายในเท่ากับว่า โคชงที่ปฏิบัติมาโดยลำดับจนถึงขั้นสมาธิขั้นอุเบกขาเป็นเครื่องฟอกชำระจิตให้บริสุทธิ์ทำให้จิตนี้เป็นจิตอ่อนควรแกาการงานสมควรที่จะได้รับธรรมะอันเป็นทางปัญญาโดยตรง ที่ตัดเปรียบไปในที่อื่นว่าเหมือนอย่างว่าผ้าที่สกรปรกจะนำมาย้อมด้วยสีต่างๆตามองการสีจะไม่จับผ้านั้นจะต้องซักผ้านั้นให้สะอาดแล้วจึงนำมาย้อมสีสีก็จะจับกันใดก็ดี จิต ท, ที่จำระฟอกล้างแล้วด้วยสมาธิด้วยอุเบกขาก็เป็นจิต ท, ที่จะรับธรรมะจนถึงอริยสัจได้ฉะนั้นเมือ่อทรงแสดงถึงโพชฌงค์จังเจ็ดอันประกอบด้วยสมาธิอุเบกขา อันเหมือนเครื่องชำระกิจอย่างยิง่งจึงได้ทรงแสดงสัจปปหควาโดยสัจจะทั้งสี่และในข้อที่ว่าในสัจจะทั้งสี่นี้ก็เริ่มในทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกอันได้แสดงมาแล้วสามพิฏพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ วัตถุคืออะไรบ้างทุกข์คือสภาวะทุกข์คือปกินกะทุกข์ทางใจและเมื่อย่อเข้ามาแล้วก็รวมอยู่ในขันเป็นที่ยึดถือละห้าประการก็คือขันฆ่าอันเป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเรา คือเป็นตัวอัตภาพนี้เองพระพุทธเจา้าทรงแสดงสติปัฏฐานทั้งสี่สำหรับเป็นข้อปฏิบัติมาตั้งแต่ในเมืองตน้นก็เหมือนเป็นการทรงแสดงอัตภาพนี้แยกออกเป็นสี่คือกายเวทนาจิตธรรม เมื่อแสดงอย่างนี้ย่อมเหมาะเป็นที่ตั้งของสติและเมื่อมาถึงการปฏิบัติเพื่อปัญญาหรือเพื่อวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงก็จัดเปลี่ยนมาเป็นขันธ์ห้าคือแยกคัณภาพอันนี้อันเป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเราตัวอันที่จริงนั่น ไม่ใช่เป็นอันเดียวกันแม้จะรวมกันอยู่เป็นก้อนกายก้อนใจอันนี้เป็นอันตภาพนี้แต่ก็ประกอบขึ้นด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตย่อหลงก็เป็นนามรูป หรือว่ารูปนามและขันธ์ข้าในรูปนามนี้เป็นวิบากคือเป็นผลของกิเลสของกรรมในอดีตเป็นตัวเหตุปัจจัย ให้ก่อเกิดเป็นขันธ์หาเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาเมื่อเป็นวิบากดังนี้จึงไม่ใช่เป็นตัวกุศลหรืออกุศลแต่เป็นตัววิบากคือเป็นตัวผลก็ผลของกุศลงกุศลนั่นแหละซึ่งเป็นตัวกรรมอันสืบเนื่องมาจากกิเลสแต่วิบากคือผลนี้ไม่ใช่ตัวกรรมไม่ใช่ตัวกิเลส เป็นตัวพลเมื่อยังมีกิเลสอยู่จึงยึดถือขันห้าอันย่อลงเป็นนามรูปนี้ว่าเป็นตัวเราของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอุปาทานขันแปลว่าขันเป็นยึดถือทั้งห้าประการ ซึงตรสรุปเข้าว่านี่แหละคือตุทุกคือขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้าประการเพราะมีกิเลสจึยงยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราแต่ก่อนที่จะได้ตรัสสรุปเข้ามาดังนี้ก็ได้ตรัสเริ่มมาแล้วถึงทุกที่ตรัสมาตั้งแต่เบื้องตน้นซึ่งได้ตรัส ให้รู้ถึงสภาวัตถุก่อนแล้วก็ตรัสประกินกระทุกที่ทุกคนมีกันอยู่เป็นประจำคือโสกะความแห่งใจปริเทวะคความคร่ำครวญใจไม่สบายใจพร้อมทั้งไม่สบายกายขับแค้นใจซึ่งคนมีอยู่เป็นปกติได้สรุปเข้ามา ในชั้นต้นก่อนเป็นทุกข์เพราะประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักทุกข์เพราะพลาดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นอันด้วยทรงชี้ให้รู้จักเข้ามาว่าเพราะมีสิ่งที่เป็นที่รักกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักจันนั่นเมื่อไปพบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักจึงเป็นทุกข์ พบกัสิ่งพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักจิ่งเป็นทุกข์ความที่มีสิ่งเป็นที่รักไม่เป็นที่รักขึ้นนี้ก็ตรัสชี้ให้ชัดเข้ามาต่อไปอีกว่ารวมเข้าเป็นหนึ่งก็คือปรารถนาไม่ได้สมหวังเพราะทุกคนนั้นต่างปรารถนาที่จะ ได้ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักไม่ตรงการที่จะพบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักแต่เมื่อไปได้ประสบผลต่างจากที่ปรารถนาคือประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักถ้าพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นความปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นอันทรงที่ ให้เริ่รู้จับต้นสายของทุกเป็นสิ่งที่เป็นที่รักสิ่งที่ไม่เป็นที่รักแล้วขี้ก็มาอีกเป็นตัวความปรารถนาแล้วยึงได้สัตประมวลเข้าเป็นกล่ า, าวโดยย่อว่าอุปาทานขันขันเป็นที่ยึดถืออันคําว่าอุปาทานยึดถือนี่ ก็รวมความปรารถนาเข้ามาด้วยเพราะมีความปรารถนาจึงมีความยึดถือและความยึดถือนี่เองก็เป็นปัจจัยให้เกิดความปรารถนาต่อไปอีกก็เป็นอันว่าทั้งสองนี้ต่างก็สนับสนุนกันความปรารถนากับความยึดถือ แต่เมื่อกล่าวตามำลำดับก็ตรัดไว้ว่าความปรารถนามาก่อนแล้วจึงยึดถือถ้าหากว่าไม่ปรารถนาก็ปล่อยวางไล่ไม่ยึดถือเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันได้ทรงเริ่มที่จะแนะนำให้รู้จักตัวทุกข์วันเรื่องมาจากความปรารถนายึดถือ อันเป็นเหตุให้มีสิ่งที่เป็นที่รักสิ่งที่ไม่เป็นที่รักสืบ เ, เรื่องกันไปแล้วก็สืบไปถึงทุกต่างๆมีโสกปริเทวะโศกเศร้ารนโจรใจคร่ำครวญอันเป็นอาการของทุกต่างๆของจิตใจที่ทุกๆคนมีกันอยู่เพราะฉะนั้น ยังเป็นอันได้ทรงเริ่มที่จะแนะนำให้รู้จักตัวทุกข์วันเรื่องมาจากความปรารถนายึดถืออันเป็นเหตุให้มีสิ่งที่เป็นที่รักสิ่งที่ไม่เป็นที่รักสืบเรื่องกันไปแล้วก็สืบไปถึงทุกต่างๆมีโสกะปริเทวะ โศกเศร้ารนจวจรใจคลั่มครวญนั่นเป็นอาการของทุกข์ต่างๆของจิตใจที่ทุกๆคนมีกันอยู่ก็สืบเนื่องมาจากความปรารถนายึดถือและก็มาถึงประมวลเข้าทั้งหมดก็เข้าในขันท้าอันเป็นที่ยึดถือว่าตัวเราของเรานี่แหละ เพราะมีความยึดถือว่าตัวเราของเราดังนี้ตัวขันห้าเองหรือยอบลงเป็นนามรูปนั้นก็เป็นมีบางหลังที่กล่าวและก็เป็นสิ่งที่ต้องเป็นไปตามสภาวะคือภาวะของตนอันได้แก่มีเกิดเป็นมึ่งตนที่เรียกว่าชาต มีชราความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงชำรุดสุดโทรงเป็นธรรมกลางมาจนถึงมีมรณะคือความแตกสลายจิรวิว่าตายเป็นที่สุดเป็นธรรมดาเหมือนอย่างสิ่งทั้งหลายที่เป็นสิ่งผสมปรุงแต่ง อนรมเรียกว่าโลกทั้งหมดนั้นก็เป็นสิ่งที่มีเกิดคือมาประกอบกันเขาแล้วก็มีแปรปรนเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีสลายในที่สุดเหมือนกันหมดเรียกว่าเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของโลก ของสิ่งที่เรียกว่าเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรงแต่งทั้งหมดเพราะฉะนั้นเพราะบุคคลไปยึดถือว่าตัวเราของเราเมื่อนามาลูปหรือขันท่านี้เกิดก็รู้สึกว่าตัวเราของเราเกิดแก่ก็รู้สึกว่าตัวเราของเราแก่ตายก็รู้สึกว่าตัวเราของเราตาย และก็มีความยึดถือต้องการบาณฑนาที่จะไม่ให้แก่ไม่ให้ตายเรื่องเป็นการฝืนธรรมชาติธรรมดาเรื่องเป็นไปไม่ได้จึงต้องเป็นทุกข์ไปด้วยกับนามรูปหรือขันหานี้อันตัวขันห้าหรือนามรูปนั้นเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดา ไม่มีตัวไม่มีตนของนามรูปหรือขันห้าที่จะมาเป็นทุกข์แต่สัตว์มงคลผู้ที่ยึดถือนี่เองเป็นทุกข์และเป็นทุกข์ที่สร้างขึ้นเองเพราะความยึดถือเหนียวรั้งไม่ต้องการที่จะให้เป็นเช่นนั้นเพราะไม่ปรารถนาที่จะให้แก่ไม่ให้ตาย ตลอดถึงเจ็บแปรปรวนเปลี่ยนแปลงต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจา้าทรงแสดงหมดทุกขสัจจะน้เริ่มชี้ที่จะให้ทุกๆคนได้รู้จักว่าอะไรเป็นทุกเป็นทุกอย่างไรแลวสืบเนื่องมาถึงความที่มีที่รักมี ไม่เป็นที่รักมีปรารถนามียึดถือเป็นอันว่าได้ทรงเริ่มชี้ให้รู้จักสมุทัยสัจจะสภาพที่จริงคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์จึงได้ตรัสในข้อที่สองคือสมุทัยสัจจะ สัจจะคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ทรงยกตัญหาขึ้นแสดงว่าคือตัณหาความเล่นหล่นทยานหยาบในจิตใจนี่เองเป็นตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อได้ฟังเรื่องทุกข์และจับพิจารณามันโดยลําดับแล้วก็ย่อมทําให้มีความเข้าใจขึ้นทันที และเพราะตันหาคือความดิ้นรนทยานอย่างนี้เองเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ต่างๆที่ตัดไว้ในข้อทุกขสัจจะสภาพจริงคือทุกข์และก็ได้ตัดเป็นอธิบายเพื่อให้มีความเข้าใจยิ่งขึ้นประกอบด้วยโดยที่ส่งชี้ว่าคือตันหา ความดิ้นรนทยานอยากของจิตใจซึ่งเป็นไปเพื่อพบใหม่เพื่อความเป็นใหม่แปลกันว่าเพื่อพบชาติใหม่บ้างหรือเพื่อความเป็นนั่นเป็นนี่ใหม่บ้างอันประกอบไปกับความเพลินที่เดยกวันอันที่ความติดใจ ที่เรียกว่าราคะมีอภินันคือความเพลิดเพลินยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในอารมณ์นั้นๆและวิริยตัจำแนกลักษณะออกไปเป็นสามคือการมตัญหาความ ดิ้นรนทะยันอยากไปในกามคือสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจหรือกล่าวสรุปเข้ามาก็เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลสัพพะที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายเพราะวะตัณหาความดิ่นรนทะยันอยากไปในพบคือความเป็นนั่นเป็นนี่วิภวะตัณหา คือความเิ่นดนทยานอยากไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นไม่เป็นนี่หรือว่าอยากที่จะให้สิ่งที่ไม่ชอบภาวะที่ไม่ชอบสิ้นไปหมดไปเมื่อสรุปเข้าแล้วกามตัณหาและภวตัณหานั้นเป็นความเิ่นดนทยานอยากเพื่อที่จะดึงเข้ามา ดึงเอาการเข้ามาดึงเอาพบเข้ามาแต่ว่าวิภวะตันหานั้นเป็นความเล่นรนทยานอยากที่จะผลักออกไปผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปภาวะที่ไม่ชอบออกไปเพราะฉะนั้นจิตที่ถูกตันหาครอบงำแล้ว จึงประกอบด้วยความดิ่นดนทะยานอยากเพื่อที่จะดึงเข้ามาอย่างหนึ่งเพื่อที่จะผลักออกไปอย่างหนึ่งหรือเพื่อที่จะสร้างขึ้นมาอย่างหนึ่งเพื่อที่ทำลายอีกอย่างหนึ่งจิตใจของสัตว์บุคคลในโลกที่ยังมีตันท้าอยู่ย่อมเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้น ในโลกนี้จึงได้มีการสร้างขึ้นบ้างมีการทำลายกันบ้างทั้งสองอย่างคู่กันไปเมื่อเป็นโลกอยู่ก็จะต้องมีการสร้างในการทำลายดังนี้คู่กันไปคำว่าเมื่อเป็นโลกอยู่ก็หมายความเมื่อยังเป็นตันหายังมีตันหาอยู่ก็ต้องเป็นดังนี้ เพราะฉะนั้นรู้พรกเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้รู้จักเหตุของทุกมาคือตันหานี่เองไม่ใช่สิ่งอื่นและตันหานี่ก็บังเกิดขึ้นที่จิตใจนี่เองก็ให้กาหนดที่จิตใจนี่เองของทุกทุกคนคือของตนเองเพราะว่าเมื่อตันหามังเกิดขึ้น ปรากฏจนในจิต ท, ทุกคนเมื่อกําหนดพิจรารณาอยู่ก็รำรู้ได้ว่าตันหาคือความรินริ่มอนทยานอยากเกิดขึ้นเป็นการมาตันหาบ้างเป็นภวะตันหาบ้างเป็นวิภวะตันหาบ้างแล้วก็ให้กําหนดให้รู้จักว่านี่แหละคือตัวทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดขึ้นไม่ทีมีที่ไหนมีที่จิตใจในี่เองต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูดและตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป